กดสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเช้าๆนะคะก็จรมาพบกันที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 ดิฉันสรรณีนาคพงษ์นะคะมากับในนั้นมีธรรมะของ ที่พระอาจารย์เทพบุญอภิปุณณจังหวัดปาดอนหางโสมอุดรธานีจะนําให้ค่ะท่านเทพบุญคะค่ะก็ท่าน ความเป็นอยู่ความอุดมสมบูรณ์อืมมีมากแต่บางทีก็น่าห่วงในเรื่อง นะที่ใจมันรุ่มร้อนเร่าร้อนอันนี้ก็แน่นอนถูกไฟ 93 ล้านไมล์หรือเปล่านะที่ที่ว่ากว่ามันจะ มันยังบางทีมันยังร้อนน้อยกว่ากองไฟที่<ท> อันตรายตรงที่ว่าเวลาที่เราเห็นมันเนี่ยเรา<ใช> นะแต่ว่าไฟคือราคาเนี่ยเผาอยู่ตลอดแล้วเผาอยู่ในเผาไม่มีควันเผาไม่มีเปลวแต่ว่าร้อนอยู่ตลอดนี่คือไฟคือราคานะเราเราเห็นคนคนเนี้ยเค้าถูกไฟคือราคาเผาอยู่เนี่ยเรามองหน้ามองตาเค้าก็อาจจะไม่รู้ด้วย <ม. S 1> ราคะที่ท่านว่าเนี่ยกินความครอบคลุมเนี่ยพุทธเจ้าก็เปรียบเสมือนกับคนที่ นะคือถ้าเราเคยฟังเรื่องราวที่ปุชาขวาถึงด้านหน้าถึงด้านหลังด้านบนถึง 6 ด้านนี่มีไฟพุ่งพุ่งพุ่งพุ่ง นะหรือว่าอ่าคุณเป็นโสดาบันคุณก็ค่ะงั้นราคะเนี่ยที่พระอาจารย์ไพบุลได้ใช่เป็นไปได้ว่าคน<ใช> หลายหรือว่าไม่เกิดเลยนึงจะเกิดสักครั้งนึงหรือว่าไม่เกิดเลยเอ่อราคะนี่ นั่นคือกิเลสมันมี 3 อย่างราคะโทสะโมหะที่บรรพชิตก็เปรียบเจ้าเอ่อโทสะเนี่ยจับนั่นคือคนที่จะมาจับเรานะ ในเวลาโกรธใครสักคนในคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคือมันจับแน่นเลย นะที่ 3 คือโมหะนะโมหะเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับค่ายนะเป็นเครือข่ายนะเครื่องดักเครื่องรวบ <Okay. S 1> นะตัณหานี่เอ่อเปรียบเสมือนแม่น้ําโขงชาวางั้นนะเปรียบกันอยู่แต่ว่าแม่น้ําคือตัณหาเนี่ยมันไม่มีทาง แล้วมันจะพร่องอยู่ตลอดเวลาพร่องอยู่ตลอดเวลานะต่อเพราะว่าให้เต็มได้ยากมากให้เต็มได้ยากนะมันจะพร่องอยู่ตลอดเวลา นะที่จิตใจคุณเป็นอย่างงี้นอนเตียงนุ่มขนาดไหนอยู่ห้องจะต้องเผา 7 วัน น่ะไม่ต้องพลิกไปพลิกมาสบายได้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประชาพิมพ์มิสานก็ยังจะตลอด 24 ชั่วโมงน่ะก็ยัง นั่นอ่าสิ่งที่โมหะปัญหาใช่ล้วนแล้วแต่เป็นใช่มันแต่มีความร้อนอยู่ดับค่ะส่วน อืมเป็นแม้จะถลายได้เร็วใช่เป็นเครื่องจับนะจะคอยจับเราค่ะโมหะอันนี้ความหลง ถ้าเปรียบว่าเปรียบคือมันมีรากมาอันเดียวกันคือเจ้าอวิชชานะอวิชชาเนี่ยเป็นๆอ่าเพราะฉะนั้นถ้าจะ มันก็ยังเป็นคือถ้ารากมันยังอยู่มันก็จะออกได้นะพระเจ้าจึงเปรียบเทียบว่าถ้าองององ อง, 2 องค์ภูมินะไม่ พอหั่นให้เสร็จปุ๊บก็เอามาผ่าให้เป็นซีซี่พอผ่าให้เป็นซีซี่แล้วนั้นก็เผานะตากให้แห้งก่อนตากให้แห้งสนิท อ่าอาฮ่าใช่สินสาใช่เรียนคือคือคุณตัดค่ะจะหาเจอได้ไงคะเนี่ยอวิชชามีทางอยู่ ดังอยู่บนมรรคเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนโยนมันมีความประนีประนอมก็เลยไปกันไม่ได้ถ้าเราปรับตรงนี้ซะหน่อยเนี่ยมันก็จะๆดิฉัน มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากเชื่อ